อปติฉันนะอับพานว่าด้วยอับพานสําหรับอาบัตที่ไม่ได้ปิดไว้ท่านพระอุทายีนั้นประพฤติมานัดแล้วได้บอกภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกะวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นขอมานัดหกราตรี เพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงได้ให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้แก่กระผมกระผมนั้นประพฤตมานัดแล้วจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ